นอนอยู่ยังทุกข์เลยต้องนอนพลิกไปพลิกมามีแต่ความทุกข์บีบคั้นพอเราเห็นอย่างนี้เราจะคลายความหวงแหนต่อไปร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายนะจิตใจไม่ทุรนทุรายแล้วรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดานี่มาดูที่ใจเราบ้างแต่ละคนอยากได้ความสุขแสวงหาความสุขกันตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าเรามามีสติรู้อยู่ที่ใจเราจะเห็นนะกระทั่งความสุขก็ของชั่วคราว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 ไปเห็นท่านปุ๊บนะโอ้ยทำไมท่านสุขอย่างเลยทําไมท่านสะอาดหมดจดอย่างนั้นมาดูตัวเองนะสกปรปกมัม่แมมหาความสุขไม่ได้เลยนะขนาดภาวนาเก่งแล้วนะสมัยโน้นะ่ะโวเทียบกับครูบอาจารย์เทียบไม่ติดเลยนะรู้สึกหยาบหยาบหน่อยนะขี้ตีนท่านอย่างสะอาดกว่าเราเลยนะแล้วก็มีแต่ความสุขไป ห, หาหลวงปู่เทศนะหปู่เทศโอ้ยทําไมท่านมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขมาก ดูแต่ละองค์แต่ละองค์หลวงปู่สิมเนี่ยนะไปอยู่ใกล้ๆก็มีความสุขกันเมื่อก่อนไปหาหลวงปู่สิมนะ้ยิ้มยิมนะ้แหมท่าน้ว่น่างเลยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อทันท่านละ <c oughs> สงสัยอานนี้ส่งให้ผล <c oughs> จริงๆแล้วความทุกข์นะ <c oughs> เกิดจากเราหาเอาเองจิตใจเรามีความอยากมีความหิวโหวยไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอหาอะไรหาสิ่งมาตอบสนอง ความสุขทางกายทางใจนี่แหละพยายามจะตอบสนองมันไปเรื่อยๆทําไงจะสุขกายทําไงจะสุกใจนะมันสุกเดี๋ยวเดียวสุขกายก็เดี๋ยวเดียวสุขใจก็เดี๋ยวเดียวนะความทุกข์มันตามอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็วิ่งหาไปาหานี้แล้วจะได้สุขอีกหาอย่างนี้แล้วก็สุขอีกความสุขมันรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆในฟังซีดีคงเคยได้ยินนะอย่างตอนเด็กๆหลวงพ่อนะคนอื่นจะไม่รู้สึก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 ตามเจ้านายมาถวายอาหารเจ้าค่ะก็เลย่ามีโอกาสได้ถามพระอาจารย์ค่ะคือตอนนี้หนูก็ฟังซีดีของพระอาจารย์นะคะรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกอึดอัดกําหนด อ, อะไรนี่อึดอัดเบือ่อไม่อยากอ๋อไ่าสั้นๆเลยตอนนี้ภาวนาดีแล้วนะค่อยรู้ค่อยดูของเราไปที่ทําอยู่นะถูกแล้วนะถูกแล้วค่อยดูเรื่อยๆรู้สึกไหมกิเลสเกิดทั้งวันเลย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 เห็นแค่นั้นก็ดับไปเลยคาตีมันเร็วดีพ่แต่เวลาทําอนาปนาสติต้องระวังนะบางคนทาอนาปนาสติผิดทาแล้วพอกฟูนอัตตาเวลาทําอนาปนาสติเนี่ยให้นั่งดูร่างกายนี่หายใจไปใจของเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะอย่าให้ใจถลําลงไปเกาะอยู่ที่ลมน ะ, นะใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจนี่อย่างนี้ดี ถ้าหายใจไปแล้วใจไปอยู่กระลมเนี่ยหลวงพ่อทำเก่งนะพเพระหลวงพ่อติดอยู่22ปนะีถ้าใจถลำลงไปอยู่ที่ลมใช้ไม่ได้ถ้าใจสักว่ารู้สักว่าเห็นเห็นร่างกายหายใจไปใช้ไดนะ้ถ้าเราหายใจอยู่แล้วเราเห็นร่างกายหายใจเนะี่ยมันคือการเจริญอาณาปานสติในกายานุปัสนาสติปัฏฐาน หายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจใหายใจไปเรื่อยเพราะฉะนักก้นสังเกตไหมในกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยพอพูดถึงอาณาปนานสตินะยังไม่ข้ามไปสู่เวทนาไม่เหมือนอนาณาปนานสติสูตรอาณาปนาสติสูตรเนี่ยท่านรวมเอาสติปัฏฐานสี่เนี่ยมาแจกแจงลงในการทําอาณาปนาสติ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอานาปานาสติในสติปัฏฐานหรือในอานาปานาสติก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้การหายใจนั้นต้องแยกรูปกับนาบนะส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะแยกรูปแยกนามเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูชอบไปเพ่งใส่ลมหายใจเอาไปเพ่งใส่ลมหายใจจิตนิ่งๆได้แต่สมถะนะ แล้วพอกฟูลอัตตาพอจิตนิ่งแล้วรู้สึกกูเก่งกูเก่งทำไมมันพอกฟูลอัตตาเพราะมันเริ่มเบี่ยงเบนตั้งแต่คิดจะปฏิบัติละวพอเราปฏิบัติเราจงใจจะไปรู้ลมมันเดียวไม่ให้จิตไปร่วนอื่นเนี่ยเริ่มบังคับมาแล้ไม่ให้จิตหนีไปที่อื่น บ, บังคับได้แต่สมถะนะแล้วก็กูเก่งกูเก่งกูเก่งแต่ถ้าอยากจเจริญอาณาปณะสติให้มันเป็นมิปัสสนา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 ใจอยู่ท่างหากต่มาพอใจมันมีความรู้สึกขึ้นมามันสุขมันทุกข์มันเกิดกุศลอกุศลดูไปอีกแยกนามต่อบไปอีกความสุขความทุกข์กุศลอกุศลโลภโกรดหลงอะไรนี่ล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราอีกละเห็นไหมร่างกายก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราความโกรธไม่ใช่ตัวเราดูออกรอยอยหรือยังเห็นไหมความสุขไม่ใช่ตัวเราดูออกหรือยัง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 ไม่ใช่แยกลักษณะแยกสภาวะของรูปและนามออกจยกกันได้สภาวะของรูปนี่อย่างรูปนิ้หายใจอยู่นี่นั่งอยู่นี่ใช่รูปนี้เป็นสิ่งที่เป็นก้อนๆนี่เป็นก้อนๆ ป, ประกอบด้วยก้อนธาตุอะไรเงี้ย น, น้ำไฟลมรูปนี้ถูกทำลายได้ด้วยความร้อนความเย็นถูกแตกแตกดับทาลายได้เป็นของหยาบยาบ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 ให้มันสงบพอมันสงบมีกาลังแล้วให้มันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาร่างกายนี้หายใจไปใจเป็นคนดูนี่ความสุขสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือปีติเกิดขึ้นใจเป็นคนดูนี่ฝึกแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆถ้าไม่แยกรูปแยกนามนะไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกตรงนี้เข้าใจอยางงั้นเวลาครูบาอาจารย์บางทีสอนเนี่ยท่านสอนมันไม่คลุมมันเป็นส่วนส่วน ท่านเดินแบบนี้นะแล้วเดินถูกด้วยนะไม่ใช่เดินผิดนะเดินถูกด้วยแต่เวลาบรรยายเนี่ยบรรยายไม่ครบหรอกไปคอนเซนเทรตไอ้จุดที่มันเด่นจุดที่มันมันูดฉาดหน่อยสมาธิจะยากอะไรป่อป่าทำใจสบายป้าหายใจออกทีเดียวดูเป็นไหมง่ายจะตายอ้าว อ, อย่าไปบังคับต้องผ่อนคลาย เนี่ยเริ่มผิดตั้งแต่ตรงนี้ล้เนี่ยต้องให้สบายนะผ่อนคลายใช้รวมทันทีหลวงพ่อซ้อมนะแต่ก่อนเนี่ยกะว่าในหนึ่งวินาทีสองวินาทีทําได้ไหมตอนนั้นหัดใหม่ๆนัตั้งแต่สมาธิทําไมต้องหนึ่งวินาที2วินาทีไม่เผื่อลดกว่อมถ้าลดกว่อมเราจะตายเนี่ยในสักสองวินาทีเนี่ยจะเอาไหวไหม ต, ต้องซ้อม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 รู้ด้วยความสบายเหมือนเราเด็กมันจะสนเนี่ยเราเอาโซ่ไปมัดติดกับเสาวไว้เนี่ยเด็กไม่สงบใช่ไหมเด็กดิ้นคลงครามคลงครามที่เราอื่นอัดขึ้นมาก็เพราะเด็กนี้มันดิน้นอยู่ๆเอาโซ่ไปมัดมันต้องเอาขนมมาล่อมันเข้าใจขนมมาลอก็คือเอากรรมฐานที่มันสบายใจที่มันชอบคนไหนชอบหายใจนะเอาลมหายใจมาล่อรจิตสงบคนไหนชอบพุโทโธเอาพุโทโธมาล่อแล้วจิตสงบ เหมือนเด็กอะเด็กวิ่งออกไปสนหน้าบ้านนะอยากให้มันเข้าบ้านนะคว้าไม้เรียวไปตี ต, ตีเอาโซ่มาผูกเด็กดิ้นอยู่กับเสาเนี่ยเอาขนมมาล่อมามากินไอติมมาวิ่งแจ้นมาเลยใช่ไหมมาเองมีความสุข เ, เด็กก็มีความสุขจิตนี้ก็มีความสุขนะมีความสุขแล้วแหมกินไอติมมีความสุขนะจิตเราเหมือนเด็กนะ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 ของจริงคือกายกับใจนี้ลงปัจจุบันนี้ของจริงจริงอยู่นี้ดูของจริงนี้ธรรมะเป็นของจริงดูของจริงลงนีน้นี่หลายคนอาจจะรู้สึกทำไมหลวงพ่อสอนแต่ป้อหลวงพ่อไม่ได้สอนป่อคนเดียวเห็นหฟังออกก็ฟังเพราะว่าธรรมะนี่เป็นของกลางๆนะใครฟังมันก็ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนสอนเรานั่นแหละหนีไปแล้วป่อ บังคับแล้วก็เผลอไปแล้วก็รู้สึกไหมมันเขินละเขินแล้วก็เห็นไหมจิตใจทำงานเองเนี่ยรู้สึกไหมหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดมากขึ้นเจอสาวยังไม่ตื่นเต้นเท่าเจอหลวงพ่อนะ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 แ ป, ป๊บเดียวมันก็ไปอ่ะเออใช่อย่างเงี้ยถูกต้อง <c oughs> ถ้าถ้าไปแ ป, ป๊บเดียวไม่ใช่นะแต่ถ้าแ ป, ป๊บเดียวไปเนี้ยใชนะ่เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละใ <c oughs> ครดูไปอย่างที่หลวงพ่อพาดูนะ <c oughs> ดูได้ได้คยๆพ <c oughs> ่อเคลิมไปแล้วพ่อนะทำอนาปนาสติก็ไม่ให้เคลิมนะเออเวลาจิตรวมมันไม่ใช่รวมเคลิ้มเคลิ ม, ลมจิตรวมนี่มันรวมลงนุ่มนวล น, นะรู้ตัวตลอดสายเลยบางทีกายหายไปความรู้สึกตัวก็ยังอยู่ ไม่ใช่รวมเคลิมเคลิมวกแงกงงอแง่ขาดสติไปนะขาดสติเมื่อไหร่ใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์สอนนะสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจําเป็นเพราะงั้นเวลาที่จิตรวมก็รวมอย่างมีสตนะิไม่ใช่รวมแล้วก็ลืมตัวเองหลับในอย่างนั้นเรียกหลับไม่ได้ว่าจิตรวมเรียกว่าจิตหลับนะคนละอันกันนะจิตรวมกับจิตหลับคนละเรื่องนอะืมนะถามหลวงพ่อนิดนึงค่ะว่า พอดีเมื่อคืนทำสมาธินะฮะแล้วก็ดูพอจิต เ, เป็นสมาธิเริ่มนิ่งเนี่ยก็ดูดูดูกายดูดูจิตไปแต่ทีนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าจิตมันแล่นออมาเร็วามากเนี่ยแล้วยังแน่นไม่เลิกจนป่านนี้หรืออ๋อไม่ค่ะตอนนี้ไม่เป็นแล้วแต่ตอนนี้ไม่แน่นแล้วเหรอไม่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 ให้มันหนีไปก่อนแล้วรู้ว่าหนีอย่าไปจ้องไว้นะอย่าไปจ้องไม่ใช่ว่าห้ามหนีนะให้มันแล่นไปมันเล่นไปแล้วเราคอยรู้แต่ถ้าเราจงใจไปดูไม่ให้แล่นนะใจจะแข็งแข็งหนักหนักอย่างตอนเนี้ใจมันหนักเกินไปใจมัน <c oughs> แข็งเกินไปมันเกินธรรมดาอืเ <c oughs> มื่อกี้ <c oughs> ที่บอกเล่นๆหลวงพ่อเลยได้ยินว่าแน่นเหลวงพ่อกำลังดูว่ามันแน่นอยู่ <c oughs> หลวงพ่อนะเดี๋ยวนี้ แกแล้วโอ้โหตึงโอ้ตึงบางทีเขาถามอย่างต่อไปอย่างนะบางทีไม่ได้ฟังเขาถามหรอกนี่ความลับนะถามไม่อย่างงั้ น, นตอบไปแต่ว่าเราดูจากสภาวะแล้วตอบไปก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนีน้รู้สึกเกร็งๆนิดนึงอืม <ๆ S 1> ดีเบอร์เจสเบอร์สิบสองก็ดีนะแต่พอศบตาหลวงพ่อเลยแข็งไปแล้ว เนี่ยสองคนนี้ดีสามคนนี้ดีนะสามคนนี้ใช้ได้ละวนะเจ็ดสิบสิบสองแล้วก็เนี่ยขอบพระคุณค่ะไอีกไม่มีคําถามดีแล้วดูลแลนะดูเป็นแล้วดูไปขอบพระคุณดูเป็นแล้วหน้าที่ของเราเหลืออันเดี๋ยดูบ่อยๆแล้วสิบสองดีนะรู้สึกตัวไหมว่ามันดีเห็นไหมภาวนาแล้วรู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อต้องแจกประกาศนียบัต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 ที่จะพาไปสู่พระเอกอยู่เราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เดี๋ยวจะพาไปสู่ความวิตกเดี๋ยวจะพาไปสู่ควา ม, มซึมเศร้ามันจะครอบครองอยู่ในในวันหนึ่งอะค่ะช่วงที่ดูไม่ทันอย่างเช่นช่วงที่อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> ก็จะตามกิเลสไม่ทันเลยค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านมากในเวลาที่นั่งสมาธิก็เป็นการเริ่มต้นการฟุ้งซ่านขนาดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทราบจะจะทำยังไงก็ต้องปล่อยให้มันฟุ้งไปดีแล้ว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 จิตซึมเศร้าโหดหูเป็น้น่แต่ใจเราไม่ทุกเลยฉะนั้นในที่สุดเราจะอยู่กับโลกขันนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนเลยนะแต่เราจิตใจได้ไม่ทุกเลยตัวใจได้ไม่ทุกเลยเบอร์เจ็ดสิบพอเข้าใจแล้วใช่ไหมดีเบอร์สิบสองดีนะเจ็ดสิบดีใช้ได้เลยได้ใช้ได้เป็นแถวแถวเลยตอนนี้พ่อลงไปคิดแล้วพ่อพ่อสังเกตไหมตอนที่ใจมันง่วงง่วงนะมันไหลง่าย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 นั่งสมาธิเองเจ้าค่ะแล้วโยมก็รู้สึกว่า ม, มันมีความชอบชอบอยู่เจ้าคะ่ะแล้วก็อยู่นานมากโยมดูพองยุ่งเเจ้าค่ะแต่ว่าไม่มีคําพูดก็อยู่นานมากมันก็เป็นสมาธิใช่ไหมเ<ช>จ้าค่ะใช่แล้วก็ควรจะทำยังไงถ้าเกิด<ร>แบบนั้นถ้าเรามีความสุขก็มีอยู่นานๆ น, นะพอหมดเวลาปฏิบัติจิตถอยออกมาเราก็ดูความสุขที่มีอยู่หายไปละความสุขไม่เที่ยงละดูอย่างนี้งั้นเราก็แช่อยู่กับความสุขก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะได้ได้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 นั่งจะมาทีก็จะเหมอลอยแล้วโอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่ามีสติแร้วแล้วก็ไม่รู้จะทำํำยังไงน่ง ก, ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินใช่ ไ, ไ, ไินไปอย่าไปนั่งอย่างนั้นเมาล อ, อยไม่เอานะเมอลอยนี่ไม่ดีเลยจิตใจเมอลอยมันมีโมหะจิตถ้ามีโมหะเคยชินนะถ้าตายไปไม่ดีพยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอาว่าไป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 ไปหันไหว้พระนะอ่ะไปตอบไปคนไหนไม่อยากได้ก็ส่งต่อไปหลวงพ่อไม่บังคับนะวันนี้พาแม่กับน้องสาวแล้วก็ป้ามากราบหลวงพ่อเจ้าคะ่ะวันนี้วันครอบครัวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> มาหลายครอบครัวแม่มาจากคอนแกนเจ้าค่ะหลวงพ่อคนอีสานบุญเยอะนะ <c oughs> คนอีสานครูบาอาจารย์เยอะคือแม่จะชอบทำบุญค่ะหลวงพ่อ <c oughs> แต่ว่า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 ยังไงก็ดูไปเรื่อยๆโดยธรรมดาของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันจเจริญแล้วก็เสเื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเป็นทุกคนแหละแต่เวลาที่มันจเจริญเ น, นี่ยเราอย่าประมาทแล้วก็ภาวนาของเราไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเรื่อยเวลามันเสื่อมอย่าตกตกใจถ้าตกใจนะใจเราจะดิ้นรนทำยังไงนะทำยังไงนะคิดจะทำเพอคิดว่าจะทำยังไงถึงจะดีทำยังไงถึงจะถูกนะมันจะไม่ดีมันจะไม่ถูกจะเสียเวลานา น, านเสื่อมนาน แต่ถ้าเมื่อไรภาวนาจนไม่รู้เรื่องนะเราก็อาจจะทําสมถะขึ้นมาทําพุโทโธก็ได้นะหายใจก็ได้พุโทโธพุโทโธไปพุโทโธนะหลวงพ่อนิยมมากกว่าหายใจนะเพหลวงพ่อไปติดลมหายใจอยู่นานเข็ดแล้วสังเกตดูพวกเราที่ฝึกหายใจมกกักจะไปติดลมภาษาไทยเลยใช้คําว่าติดลมเห็นไหมมีคําว่าติดลมเห็นไหมคนไทยโบราณนั้นเก่งมากเลยบรร ญ, ญัติศัพท์มาแล้วก็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 หรือกับเหนื่อยมีสติอยู่กับสบายกับข้างกันตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมจิตลงไปละวเต้นเต้นนะครับเออตื่นเต้นอย่าไปกดมันไหอย่าไปกดมันยังกดอยู่ดูออกไหมเอออย่าไปกดมันนะเอาไปส่งไม้ไปไม้นี้มันอาถรรพ์ใครจับก็ตัวแข็งไปหมดนี่ขนาดจักยังตัวกระสับกระสายขึ้นมาแล้วรู้สึกไหม เปลี่ยนอย่างห่วงเันกระสับกระสายครับเออแล้วเป็นไงสองวันนี้มันป้อแปรครับนี่ไงป้ออยู่นี่แต่ว่าอย่างเมื่อเช้าก็มันยังดิ้นลนอยู่ะครับคือพอไม่มีสติก็พยายามจะไปดูมันมีบางช่วงที่สติไวขึ้นนี่เห็นว่า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 ส อ, สองวันนี้ผมไม่ได้เดินจงกรมตอนกลงคืนแค่รู้สึก<ส>ไม่ใจไม่ตั้งมั่นใชบครับใจไม่ตั้งมั่นเลยนั่นแหไปเพิ่มสมาธิขึ้นเดินจงกรมไปแล้วก็รู้กายที่เดินไปเรื่อยๆ อ, อยา่าขี้เกียจ น, นะสองวันนี้พอดีไม่ได้เดินก็เลยทําไมสองวันนี้พิการเน อ, <c oughs> อ๋อหมายถึงไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบอะครับออสองวันนี้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 เมื่อก่อนมีเพลงนะเมื่อรู้สึกตัวก็สายเสร็จแล้วเพราะมันทุกข์แน่นขึ้นมาแล้วถึงจะรู้ไอ้ตอนเกิดกิเลสยังไม่ทันเห็นเกิดการกระทำกรรมยังดูไม่ทันใช่ไหมเกิดวิบากทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นก็ยังดียังดีในไตรวัตรยังเห็นอยู่ท่อนหนึ่งอย่าขี้เกียจนะจากจากภาวนาดีอยู่แล้วล่ะแต่นี้ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันขี้เกียจไป พอดีเมื่อคืนก่อนเพื่อนชวนไปดูพระณเลศสวนกับมาดึกเลยไม่ได้เดินเ อ, อาความเร็วอยู่ที่เพื่อนนี่เองนะจิตมีกําลังขึ้นครับแล้วก็แต่ยังดิ้นขุกคลักกับอกุศลอยู่ครับเอย่าเพิ่งหนีไปจิตขณะนี้เป็นยังไงมัวสัวครับไม่ตั้ ง, งมัน่นครับ อ, อย่างนี้ผ่านคุณยายว่าไงคุณยายคุณยายนึกว่าไม่ถึงแล้วมั้งวันเนี้ย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 คือเราภาวนาถูกนะมีความสุขพอเราเห็นสภาวะพระจิตมันจําสภาวะได้นะจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาเลยมันตื่นนะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็มีความสุขขึ้นมาตอนนี้จิตนี้ไปคิดทราบไหมนะไม่ค่อยตั้งมั่นน ะ, ะ, ะไม่ตั้งมัน่คนะคุณยายก็ต้องทําในรูปแบบบ้างนะหรือยอย่างคุณยายเนี่ยสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ดี อยู่นี่ก็ดูหญ้าไปหลวงไม่ใช่คําว่าถอนหญ้านะเพราะพระใช้ให้ถอนหญ้าแล้วอามบัดบอกให้ไปดูหญนะ้าเก็บก้อนหินอไนะไรอย่างเงี้ยถอนไปยิ้มไปเก็บไปยิ้มไปจะหามันมีความสุขที่ว่าอ่นั่นแหะเราเคลื่อนไหวน ะ, ะแล้วเรารู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมีความสุขดีดีรับมันใจแต่ใจมันฟุ้งไปนิดนึงยังยังฟุ้งซ่านอยู่คะ่ะ ต้องพยายามต่อไปค่ะเหลอคล้ายๆพวกเล่นเกมโชว์นะเี่ยพยายามต่อไปครับนรศการหลวงพ่อครับเป็นลูกศิษย์จากญี่ปุ่น น, น, นะครับซีดีเรียกให้มาที่นี่นะฮะผมยังเป็นแผ่นเสียงตกล้องอยู่แล้วก็วั น, ว น, วนๆห น, นึ่งเนี่ยตามตัวเองเจอได้ก็เป็นสิบครั้งแต่ก็ถือว่าหลวงพ่อเคยบอกไว้บอกว่ายิ่งตามเจอ ยิ่งรู้ว่าเผลอเยอะยิ่งดีผมเลยจะคิดว่าต่อไปนี้ถ้าผมจะเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะนับหนึ่งสสาไปจนทั้งหลับเนี่ยไม่ทราบมันจะก็เดี๋ยวมันจะเครียดไปเอาแค่คราวละ5นาทีก็ได้ชั่วโมงหนึ่งหนาที<ห>เอาเวลา5นาทีเนี่ยสมมติเราต้องหาอะไรมาทำไว้อันหนึ่งก่อนเช่นเราหัดพุดโทโธไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแป๊บนับหนึ่ง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 ฝึกให้สบาย น, นี้หลวงพ่อมีพระญี่ปุ่นองค์นี้องค์ที่สามเนี่ย <c oughs> ยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมแมนยังได้เนาะท่านอยู่ญี่ปุ่นนานคนไทยนะ่ะจะไปอยู่ญี่ปุ่นนานผมคิด่เป็นพระมาจากญี่ปุ่นมีทั้งพระญี่ปุ่นพระอังกฤษนู่น <c oughs> อนุญาตนะเจ้าคะ่ะขออนุญาตเจ้าคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นจิตผู้หลงแล้วเรากลับมาเป็นจิตผู้ดูนี่อย่างนั้นแปลว่าตื่นหรือเปล่าเจ้าคะก็ขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็ตื่นขณะที่หลงไปก็หลับแล้วบางทีโยมรู้สึกว่ามันสว่างสวัยแบบตอนแรกที่มากราบหลวงพ่อสว่างสว่า ง, <ช>างมี2 ง, งานสว่างแบบสมถะจ้านิ่งๆอยู่เลยแก่พอเผลอๆแล้วพอรู้ว่าเผล อ, ลอนะสว่างแวบหนึ่งโลง่งๆขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลงไปคิดใหม่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 มันปล่อยโหลดไปเลยซื้อเลยฮะไอ้โรคนี้เป็นโรคทั่วๆไปเรียกโรคระบาดรู้จักกระต่ายไหมกระต่ายกระต่ายเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังผว่าหัดดูจิตนะไปชอปปิง้งเห็นกระเป๋าสวยใจชอบรู้ว่าชอบนะแล้วเผลอเผลออีกแวบเดียวรู้สึกตัวครั้งใหม่นะตรงที่กระเป๋ามาถึงบ้านแล้ว <laughs>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 คุณท่องพุโทโธไปก็ได้พุโทโธพุโทโธไปแล้วใจนิ่งนิ่งขึ้นมารู้ว่าใจมันนิ่งๆ่งพุโทโธขึ้นมาแล้วใจหนีวิคิดรู้ว่าหนีวิคิดแล้วเราต้องซ้อมนะสติถึงจะเกิดบ่อยถ้าไม่ซ้อมก็ไม่เกิดบ่อยเหมือนนักมวยอะ่ะไม่ซ้อมชกนะชคไม่ออกง้างอยู่นั่นอนะ่ะไม่ชคทันทีผมก็สมถะมานานมากเพิ่งจะเริ่มรู้จักวิปัสสนาก็ปีเสศศส์ที่ผ่านมานี่เองเพิ่งเริ่มเริ่มรู้จักครับค่ฝึกไปนะ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 นี่เป็นเรื่องของการบุญมีหลายเกรดไอ้ประเภทสวดแล้วเฮงอะไรเนี่ยไม่ใช่คําสอนในศาสนาพุทธหรอกมงคลสาบแปดนะไม่มีข้อหนึ่งเลยว่าสวดมนต์แล้วเป็นมงคลมีแต่บอกว่าไม่คบคนผ่านแล้วเป็นมงคลคบบัณฑิตแล้วเป็นมงคลอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นมงคลหรือมีสติเป็นมงคลนะเข้าถึงธรรมะเป็นมงคลได้เห็นสมณะเป็นมงคล เป็นเรื่องที่เราต้องทําเอาทั้งนั้นเลยศนะรีมงคลหรือคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยเราต้องพัฒนาใจของเราพัฒนาใจของเราใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลอยู่ในตัวล้วฉะนั้นที่คุณบอกว่ามีสติเป็นมงคลนั้นถูกต้องละเพราะมีสตินี่แหละเป็นพื้นฐานของกุศลทั้งปวงเลยถ้าขาดสติอันเดียวนะจิตไม่เป็นกุศลละจิตที่ขาดสติคืออกุศ ล, ลจิตดีแล้วอย่าเชื่อง่ายนะ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 ซึ่งทำให้ความคิดของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็กระทำได้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าโมโหก็คิดคำด่าได้รุนแรงขึ้นได้ทำคิดออกว่าจะทำให้เขาเจ็บใจได้อย่าง่ะแล้วก็รู้ว่าโมโหท่าไหนก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วก็ยิ่งทำให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีหลักการอะไรเยอะเหลือเกินที่จะต้องถูกต้องซึ่งคิดว่า ตัวเองก็คงจะคิดไปเองนั่นแหละว่ามันเป็นถูกเป็นหลักการที่ถูกต้องเออดีนี่ฝึกต่อไปน ะ, ะแล้วฝึกไปเรื่อยเราจะเห็นเลยกิเลสของเราในเยอะที่สุดเลยแล้วเราก็ร้ายกว่าที่เราคิดไว้เดิม<ช>นะร้ายมากด้วยหาคนที่ร้ายเท่าเรายากนะเ <c oughs> นี่ยฝึกไปอย่างนี้ดีฝึกแล้วเห็นกิเลสเนี่ยดีที่สุดเลยดีใช้ได้แล้วก็เห็นไหมยึดถือในความเห็นของตัวเองพอเรายึดในความเห็นของเราเองนะเราก็จะไปทะเลาะ ก, กับคนอื่นได้ทั่วประเทศเลย ได้ไปส่งไปข้างหลังชีวิตมันสบายขึ้นนะครับหรอมันสบายได้มันก็ทุกข์ได้นะเนีมันมันเริ่มมันเริ่มมีแรงภาวนาอีกแล้วมันวางเฉยเอดีแล้วไปดูไปแต่ว่ามันมันอยู่ลําบากขึ้นนะครับาจเหมือนมันอยู่กับเดินห้างลําบากขึ้นกินข้าวคนเยอะลําบากขึ้นอะไรนั้นได้ยินไหมชั้น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 อยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าใจเป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขแล้วมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองเรื่อยๆมันจะเป็นกลางนะแต่ใช้เวลาเยอะเพราะาเราขี้โมโหเป็นกลางยากมันโมโหมากคนระับชาวชมมักโมโหแล้วแล้วไม่ผิดศีล ร, รักษาศีลห้าไว้ก่อนโมโหยังไงก็ได้โมโหอยู่ข้างในตามดูในความโมโหไม่มีตัวเราดูปไปอย่างนี้ ในความโมโ ห, โหไม่มีตัวเรานะจิตที่ไปรู้ว่ากำลังโมโหอยู่ก็ไม่มีตัวเราดูไปตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นใครดูสภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ละขณะแต่ละขณะนะไม่มีตัวเราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆพวกที่โทสะกล้านะปัญญากล้าแล้วดูลงเป็นอนัตตาไปนมำมศกา ร, รครับหลวงพ่ อ, อ, อครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่คุณแม่แล้วก็พี่สาวได้ชวนมา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 เมื่อเราอย่าประมาทนะปัญหาชีวิตมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องซ้อมของเราไว้ก่อนวิธีซ้อมนั่นคือเราพยายามเรียนรู้ตัวเองให้เยอะๆศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องลึกลับประหลาดอะไรหรอกมันคือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองเราจะคอยสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยจิตใจของเราแต่ละขณะแต่ละขณะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจเราเราบังคับไม่ได้นะเราก็บังคับใจคนอื่นไม่ได้คอยดูจิตใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าดูได้นะจิตใจจะสงบลงมาจิตใจเย็ยน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 ปัญหายัางไงมันก็ต้องเปลี่ยนตัวของมันอดทนอดกลัน้นรอไปรอเวลาการรอก็เป็นการต่อสู้อันหนึ่งนะความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเลยหลายคนขึ้นมาเป็นห้องเต้ตั้งราชวงศ์ได้เพราะว่าทนนะอย่างต้นราชวงศ์ฮั่นอยู่ราชวงศ์ฮั่นได้ทั้ง400ปีต้นราชวงศ์รบทีไลแพ้ทุกทีเลย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 เราต้องฝึกที่จะเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองนะเราจะเข้าใจคนอื่นหลักของการทำสงครามนะถึงมีรู้ตัวเองรู้คนอื่นนะรู้เขารู้เรานะลบร้อยศึกถึงจะไม่พ่ายและคนแต่งตาราพ่ายเองสุนหวู่ <c oughs> <c oughs> อะได้อีกคนนึงอะเ <c oughs> ชิญพอดีว่าเพิ่งมาครั้งแรกอะคะ่ะแล้วก็อยากจะขอคําแนะนำาพะ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 โมหะน้อยกว่าพอง่วงทนไม่ไหวนะแอบยีบพองีบแล้วตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะจิตมันสดใสยอยู่พักหนึ่งตรงนี้รีบปฏิบัติช่วงนี้เลยรีบรู้กายรีบรู้ใจเข้าไปในช่วงที่กำลังสดใสทำไมง่วงทั้งวันเลยหรือก็เกือบทั้งวันนะคะถ้าแบบว่าได้อยู่เฉยๆแป๊บหนึง่งก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะเคิมเคิมอะคะอ่ะเอองั้นต้องกระดุกกระดิกไว้ อย่าหยุดเฉยกระดุกดิกไปเรื่อยเคลื่อนไหวนะขยับร่างกายไปเรื่อยๆหางงานทำํำนะพอดีว่าต้องทํางานที่แบบมันนั่งอยู่เฉยๆด้วยค่ะออแบบยิ่ ง, งแบบมันยิ่งซึมง่ายมีเวลาก็ต้องไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยเต้นไปแล้วก็รู้สึกไปอะไรเงี้ยต้องเคลื่อนไหวอะ่ะเคลื่อนไหวไว้อ่ะได้อีกคนนึงอ้าแถมว่างไง